เวลาเดินจ ก, กลมเนี่ยเราดูเป็นสองลักษณะถ้าดูแบบสมถะเราก็จะดูหนักดูเบาแต่ถ้าดูวิปัสนาเราก็จะรู้เกิดรู้ดับเวลาเราสมมติเราเดินเดินสองเท้าในช่วงที่ยกเนี่ยเบาใช่ไหมอีกข้างหนึ่งหนักใช่ไหมเราคุยกันวนก่อนว่าสมมติตัวที่ยกเนี่ยความหนักมันดับไปแต่ขณะเดียวกัน ความเบาเกิดขึ้นแต่พอความหนักอีกเท้าหนึ่งลงความเบาหายไปความหนักเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในการเกิดการดับความจริงในเกิดนั้นมีดับอยู่คือในหนักมีเบาอยู่เหมายนเขาว่าขาหนึ่งหนักอีกขาเท้าหนึ่งเบาในหนักมีเบาอยู่ขณะเดียวกันพอยกขึ้นในเบานั้นนก็มีหนักอยู่ก็อีกข้างมันหนักอยู่เพราะฉะนั้นกฎของการเกิดดับมันก็คือการความสมดุลไม่ ไม่มีหนักโดยเด็ดขาดแล้วก็มีแบบไม่มีเบาโดยเด็ดขาดแต่ถ้าเราทดลองยืนทั้งสองขาเนี่ยไม่เดินนะยืนอย่างเดียวน้ำหนักก็จะคงไม่ไม่มีเบาบาลานเลยอย่ะมันก็จะหนักหรือเราให้เบาโดยที่ไม่ต้องยืนเลยไปนั่งน้ำหนักก็เปลี่ยนย้ายที่แล้วนะ เพราะฉะนั้นในกฎของการเกิดดับเวลาเราเดินเรนะ่รโจนกมเนี่ยถ้าเราดูหนักควารู้สึกดูรู้รู้หนักรู้เบาก็รู้สึกหนักรู้สึกเบาต่างกันไหมรู้อาการหนักรู้อาการเบาตัวรู้รู้ตัวนี้ถ้าเราเข้าไปอินว่าอุ้หนักลาคาญจังเบาเนี่ชอบจังนี่จะก็เป็นเราเข้าไปในหนักในเบาเป็นนามารูปใช่ไหมเดิารูปนามแต่กลายเป็นนามารูปแต่พอรู้ มีหนักมีเบาอยู่แต่เรารู้เฉยๆโดยที่ใจไม่เข้าไปอินว่าหนักเบาแต่รู้อาการนั้นอันนี้ก็เป็นตัวปรมัตในตัวเห็นตัวนามแต่ในขณะนั้นมันสมดุลก็คือหนักกับเบาหนักเบาในชีวิตถ้าเราจะไปดูการเกิดดับของเวทนาก็าจะไปดูอาการหนักกับเบาไปดูอาการเกิดดับของจิตก็อาการเดียวกันกับที่เกิดกับกาย เราะู้การเกิดดับคือคือสามารถเห็นคือการเกิดดับของจิตเนี่ยมันไม่ได้เห็นได้ทุกขณะได้หรอกแต่เราจะไปดูได้ทุกขณะดูที่กายกับเวทนาได้แต่ว่าการเกิดดับครั้งสุดท้ายมันมีอยู่ครั้งเดียวซึ่งหมายความว่าถ้าไปพบการเกิดดับจุดนั้นหมายความว่าจบกิจซึ่งนั้นไม่ใช่ของง่ายนะเพราะนั้นเราดูการเกิดดับของกายเป็นดูการเกิดดับของเวทนาเป็นดูการเกิดดับและ เกิดดับของจิตระดับสมมุติเป็นการเกิดดับระดับสมมุติความคิดเกิดแล้วก็ความคิดนันก็ดับไปเห็นใช่ไหมความคิดบางตัวสักพักหนูก็ดับไปอันนี้เป็นการเกิดการสมมุติยังไม่เป็นปรมัดถ้าปรมัดเราจะของจิตนี้เราจะไม่ทันเลยมันเหมือนระเบิดอ่ะตุ่มเดียวระเบิดนี่ก็จะไม่เหลือละสลายตัวอาการเกิดดับครั้งสุดท้ายของจิตคือการระเบิดของอวิชชาหลังจากระเบิดแล้ก็จะไม่เกิดขึ้นี เพราะนั้นเราก็สั่งสมจากการเกิดดับอย่างนี้ยใครจะดูได้ทีกว่าใครก็ขึ้นอยู่ว่าเส้นทางที่จะวปอยู่นาเกิดดับที่แท้จริงมันก็จะเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่ายาวหรือสั้นขึ้นอยู่ว่าเราจับการเกิดดับของกายกับเวทนาได้ชัดแค่ไหนเพราะการในการเกิดอันนี้คือคำพูดแต่ความจริงในการเกิดมีดับในการดับมีเกิดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉนั้นระหว่างที่เราเดินกับยืนเฉยเฉยเนี่ยไห น, นรู้สึกสบาย เดีรู้สึกสบายกว่าเพราะน้ําหนักเบามันสมดุลใช่ไหมแต่ถ้ายืนเฉยๆเนี่ยมันจะหนักอย่างเดียวเพราะนั้นถ้าดับนานเกินไปก็ทุกเกิดนานเกินไปก็ทุกถ้าเกิดดับเท่าเทกันความทุกข์ก็จะสมดุลแต่ว่ามันจะว่าไม่มีทุกข์เลยแต่มันสมดุลก็หมายถึงว่ามันพอทนได้นั่นเองเบาเกินไปก็ทนไม่ได้ อย่างนอนเกินนอนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยทนไม่ได้ต้องลุกใช่ไหะถึงมันจะนอนสบายก็จริงแต่ว่ามันต้องลุกแหละหนักเกินไปอยู่ที่เดิมสักพักแล้วก็หนักแลก็เปลี่ยนที่ย้ายที่แล้วเพราะฉะนั้นให้ดูรายละเอียดตรงนี้ให้ชัดก่อนแล้วค่อยไปบูรณาการหรือไปไปไปแอบถ่ายในจุดอื่นทั้งหมดแล้วมันจะง่ายเมื่ออะไรเกิดขึ้นปับ๊บมันไปเห็นอาการเพียงแต่เอาเป็นอาการเกิดกับดับแต่ถ้ามาดูใหญ่ๆอ๋อมันไปเพียงแต่รูป ก, กับนาม อ, อ๋อเป็นเพียงแต่หนักกับเบาอันนี้ดูในระดับกายกับเวทนานะพอดูระดับปีต่ออ๋เป็นเพียงแต่เกิดกระดับให้ความเป็นตัวตนก็หายไปนี่เราเราเราศึกษาตรงนี้ไว้ก่อนนะถึงแม้เราจะทําไม่ถึงนะแต่ว่าให้เราฝึกดูอยากไปให้ทีกว่านี้อย่างสมงว่าเดินจุ ก, กมเราได้เห็นการหนักการเบาชัดๆสักกี่ครั้งเราได้สังเกตว่าในหนักมีเบาในเบามีหนักนะั้นสักกี่ครั้งมีหนักอย่างเดียวแล้วมีเบาดืองอย่างเดียวนะั้นมีกี่ครั้ง เราก็ค่อยขยับใกล้ความจริงข้าเท้จริงเข้าไปเรื่อยๆนะดังนั้นเองหลวงอตั้งประเด็นสอบอารมณ์กลางวั น, เ, นเพื่อเป็นเรื่องที่กลมกลืนยกเรื่องหลักประเด็นให้คุณชดาอานเพราะอ่านปั๊บเนี่ยมันก็จะมีชิงสี่ช้อยแต่ดูแล้วพวกเราอยู่ได้แค่สามช้อยนั่นเองคือดำรู้สึกดำรู้สึกขาว แล้วก็ซื้สีสีเทาเนะี่ยพออ่านจบนี่คุณเล็กลงขีดก่อนเลย <laughs> ขีดทันทีไม่ต้องคิดเลย <laughs> แต่แต่อีกสามคนยังเป็นสีเทาอยู่นะแ ต, แต่ในในนะบางคนอาจจะมีสีสีขาวอยู่คือไอ้เขาไม่ชอบสีดำชอบสีขาวยังรังเลอยู่อ๋อสีเทา เอาฟังเฉยๆไ ม, มไม่มีชอบไม่มีชอบไม่มีรังเลอันนี้ช่องว่างนะแต่ช่วงนี้ไม่มีใครกัดตาจะคนเลยก็นก็ช่วงนี้ก็ในอันนี้ก็เหมือนกันในความรู้สึกของเราเหมือนกันเราพบของหนึ่งอย่างเราจะมีสามความรู้สึกแต่ถ้าคนไหนได้ความรู้สึกที่สี่ด้วยก็ถือว่านั้นได้เจริญสติมาแล้วความรู้สึกที่หนึ่งชอบความรู้สึกสองไม่ชอบคนที่สี่สามยังรังเลอยู่ความรู้สึกที่สี่ก็คือไม่มีทั้งสามอย่าง นั่ผู้จะวิปัสนาถึงขั้นแล้วก็จะประกาศช่องที่สแต่ของเราจะสลับช่องกันเลยบางครั้งชอบบางครั้งไม่ชอบบางครั้งสงสัยนี่ยดนั้นในตัวอาชุกมาสุขเวทนาก็ดีตัวอนัตตก็ดีตัวโมหาก็ดีตัวอุเบกขาก็ดีมาอยู่ในข่ายเพราว่าสงสัยคือไม่ชัดถึงสองอย่างดังนั้นในเวลาภาวนาเนี่ยให้ตีวงแคบเข้ามาแค่นี้ จำสูตรแค่นี้พอแล้วอะไรเกิดขึ้นปับ๊บจับใส่สูตรอันนี้มันจบแต่ถ้าเราสูตรตัวนี้เราท่องสุคูณไม้ขึ้นใจนะเดี๋ยวคุณไปบวกลบคูณหารข้างหน้าคุณก็ทําผิดอยู่ดีนะี่เพราะนั้นสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยก่อนเลิกก่อนเข้าเนี่ยต้องให้ท่องสูุคูลทุกทุกครั้งใช่ไหมเพืให้ขึ้นใจอันนี้เป็นสูตรนะดังนั้นเองการปฏิบัติของเราถ้าจับสูตรนี้ได้เนี่ยเออหนักเป็นเกิดใช่ไหมจะทําให้เกิด น, นี่ดับได้ไงก็ขยับ ดับไปน้ำหนักก้อนนั้นดับไปนะน้ำหนักก้อนใหม่เป็นไงเริ่มเกิดขึ้นแล้วพอมันเกิดเราก็ดับทันทีพอเราตายเราคนก็ตายแล้วเกิดทันทีตายป๊อเกิดดีส่วนจะเกิดเป็นอะไรอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เหมือนกันความหนักมันดับไปความเบอก็เกิดทันทีถ้าคนที่ตายไปด้วยวิญญาณที่หนักจิต ท, ที่หนักคนนั้นก็จะไปเกิดในทางไม่ดีคนที น, นตายไปด้วยจิตวิญญาณที่รู้สึกเบาสบาย ก็ไปเกิดในทางที่ดีผู้ใดที่ตายไปโดยไม่มีจิตที่จะเกิดจะดับอีกต่อไปไม่กินจะหนักจะเบาอีกต่อไปคนนั้นก็ไม่ต้องเกิดอีกอันนี้ดูง่ายๆว่าคุณจะไปเกิดเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเราดูอาการของคนตายเรารู้นะใครจะไปเกิดอะไรใช่ไหมอันนี้มันเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะเราจะดูว่าเราจะตักเราจะตายยังไงนะคนเนี่ยเราก็ดูปัจจุบันนี่แหละเราสั่งสมอะไรไว้สั่งสมความรู้สึกเบาสบายไว้คุณตายก็เบาสบาย สังสมความรู้สึกหนักเอาไว้แบบที่ไม่ฝึกปฏิบัติมีปัสนาเลยนะจรินมันก็ถึงเวลามันก็ต้องหนักหนักด้วยเวทนา น, นั่นแหละเพราะฉะนั้นเองเรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องความเป็นความกายเรื่องมีปรสนานี่นะจริงทำต้องทําให้ชัดว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าเสียดายว่าเราส่วนใหญ่เราเป็นชาวพุทธแต่เรายังไม่ค่อยมีคนพุทธเท่าไหร่เสร็จแล้วเราได้เป็นชาวพุทธคนพุทธกับชาวพุทธต่างกันยังไง ชาพุทก็แค่ธรรนียประเพณีณอ่าอ่าน่าเป็นส่วนใหญ่ ไ, ไม่ไม่เข้าแก่นคนพุทธเพราะนั้นยังเป็นพุทธะไม่ได้เพียงแต่เป็นชาวพุทธเป็นแนวร่วมเท่านั้นเองนะส่วนใหญ่เราเป็นชาวพุทธดังนั้นเองก็ถ้าจะพูดถึงในลักษณะภูมิศาสตร์เสียดายเรามีแต่ชาวไทยแต่เราไม่เค่อยมีคนไทยเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันในความหมายเดียวกันอ่า แในเวลาเราปฏิบัติก็ต้องดูอย่างเงี้ยดูหลักๆไว้ก่อนแต่มันมีอะไรเกิดขึ้นความง่วงเกิดความเบื่อเกิดขึ้นความเซ็งก็คือฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมันก็คือการเกิดใช่ไหมที่หน้าที่ของเราคือทําให้มันดับจะจะดับวิธีใดนั้นก็แล้วแต่เทคนิคของใครของมันเพราะมีการเกิดแล้วก็ทํำหน้าที่ดับแต่ถ้ามันดับเองก็ได้แต่ว่ามันไม่เหลืออะไรเหมือนไฟไหม้ถ้ามันเกิดก็รีบดับถ้าไม่ดับไฟก็ไหม้ทั้งหลังมันก็ดับได้เมืนอไงหมดไปแล้วหลังนั้น เพราะนั้นเราจึงมีคาถากันไฟหไหมเอาไว้ติดตามฝามเครื่องดับเพลิงอันนี้ก็เหมือนกันในตัวเราก็เหมือนกันที่ต้องมีเครื่องดับเพลิงอยู่ก็คือตัวสติสัมปชัญญะเนี่ยต้องเตรียมไวต้ตลอดเวลาเลยเพราะนเครื่องดับเพลิงเราติดข้างฝาไวต้ตลอดคาถากันเะนั้นทุกคนจะต้องมีสติสัมปชัญญะถ้าไม่อยากจะให้ไฟหไหม้บ้านหมุดหลังแต่ว่าจิตของเราเนี่ยกว่ามันจะมันวันหนึ่งไม่ถูกไม่รู้ว่าถู ก, ไ ม, ถกไม่วันละกี่ครั้งเพราะนั้นจิต ประชชนควรทุบไปจึงอ่อนปวกเปียกเวลาโลภมากระทบก็โลภไปด้วยเวลาโกรธมากระทบก็โกรธไปด้วยเวลาหลงมันก็หลงไปด้วยเวลาลักมากระทบกักไปด้วยเวลาชังก็ชังไปด้วยเนี่ยผูุชนอ่าผู้ทุชนชนไปชนโลภชนโกรธชนหลงชนไม่เลือกเลยนะเพราะฉะนั้นโชคดีที่ที่พวกเราได้ปฏิบัติที่ศาสนาเพราะอะไรเพราะมันจะอยู่เลยในโลกนี้ได้อย่างสบายอย่างท่านพระอาจารย์ท่านว่า จะอยู่กับใครที่ไหนอย่างไรมันไม่มีเงื่อนไขนะเขาชั่วกับเราก็ดีเขาดีก็เราก็ได้เราไม่ไม่ถือสานะนะ่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นครูของเราได้หมดคนดีก็เป็นครูของเราคนร้ายก็เป็นคนชั่วก็เป็นครูของเรานะมันก็ทําให้เร า, าเออ่ปฏิบัติวิปัสสนาฤฤมันดีอย่างนี้เองก็อยากให้คนปฏิบัติเราทิ้ง ทำงานทั้งปีทั้งชาติก็เพื่อให้คนได้ร้อยหนึ่งได้สักคนหนึ่งก็ยังดีที่คนมีความสุขถ้าอะไรคนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือว่าได้เพื่อนแหละแต่อยู่ทั้งหมดกันในที่เห็นกันเนี่ยถ้าไม่ได้ดวงตาเห็นทํามด้วยกันเหมือนอยู่ด้วยกันแต่ไม่ใช่เพื่อนน่ะคุยกันรู้เรื่องอ <c ười> คุยกันรู้เรื่องอ่ะท่านไม่ภาวนาคนะุยกันคนละเรื่องถ้าคุยกันไม่รู้สักพักมก็เบื่อแล้วไม่อยากคุยต่อแล้วแต่คุยกันรู้เรื่องก็คุยกันทั้งวันก็ได้เหมือน พยายามหาวิธีของเราการภาวนาที่้องหาวิธีของเราแต่ว่าวิธีของเราก็อาจจะใช้กับคนอื่นไม่ได้บางคนก็ใช้ได้อย่างง่วงนะ <c oughs> ง่วงแบบอย่างการเจริญสติถ้าเราฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติก็งง่วงกันทั้งนั้นหลวงพ่อประโยคข้าว ชื่ออะไรจากเชน ห, หลุยมาหาไหลไปปฏิบัติที่สุขโตท่านเดินงเดินจนชนต้นไม้หัวแตกเนะี่ยง่วงมันง่วงแบบท่านบอกว่ามันง่วงแบบเกิดมาไม่เคยง่วงอย่างนี้มาก่อนเลยเนี่ยแต่ท่านก็สู้จนชนะได้ทุกทุกคนนะ่ง่วงหลวงพ่อพลยังง่วงยังไม่หายเลย แต่งงส า, สาเหตุเนี่ยก็อย่างเป็นเบาหวานนกีก็แรงหลายอย่างพักผลไม่เพียงพอบ <c oughs> าทีจิตสงบก็เป็นส่วนในวิธีแก้เวลาเราอยากจะแก่ง่วงแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยเคยได้ฟังเทคนิคนี้จากใครให้กลั้นลมหายใจมีสามวิธีวิธีหนึ่งคัน สูดลมหายใจเข้าให้ลึกเลยให้มันสุดแล้วกลั้นแล้วก็อ่รวางง่วงกับตายเนี่ยอันไหนจะอยู่เนี่ยดูยอมตายนะอา่าง่วงอยู่หรือตายเนี่ยเหมือนว่ามันแล้วก็กาหนดสติออกทางทวารต่างๆเหมือนว่ามีลมออกไปทำสักพักมันจะหายหาย พิธีที่สองก็คือท่านเก่าฝ่าเท้านะสัมผัสฝ่ามือใเก่าเขาสูตรนี่หายเด็ดขาดสอนท่านมงคลแล้วและสอนหลายรูปแล้วหายเก่าให้มันรู้สึกตัวตอนเดยกง่วมันนึกไม่ออกว่าฝ่าเท้าอยู่ที่ไหน นมันจะหาทางออกของมันข่าเข่าสักพักรู้สึกมันยังง่วงอยู่ให้เอามาดมหายเลยเนี่ยหายวิธีที่สามก็หมอเขาสรุปแล้วว่าวิธีที่จะแก้ความง่วงได้ดีที่สุดคือนอนนอนที่มันเปลี่ยนจิตมันเปลี่ยนเช่นอย่างขับรถ ง่วงแบบจนตำรวจเรียกพอตำรวจเรียกทำไมมันหายไปหมดอ่ะแก่งวงแกงวงจิตตัวเดียวนะจิตมันตื่นขึ้นมาจิตมันพลิกทำไมดูหนังทั้งวันทั้งคืนเล่นเกมได้ทั้งวันทั้งคืนทำไมไม่ง่วงมันต้องมีมันต้องมีอะไรเพราะอะไรเออคอยไปสังเกตที่บอกวันก่อนแล้วชุดแรกนะ ว, ว่าไอ้ตัวง่วงเนี่ยมันมันเร็วมาก มันละเอียดมากพอมันฉีดเข้าจิตเราปุ๊บเนี่ยถอน อ, อกจากเลยังนั้นโดยโดยส่วนตัวจึงบอกว่าอาหารก็ดีอะไรก็ดีไม่ใช่ปัญหาที่ทำให้เราง่วงจิตที่มันกำลังจะเป็นสมาธิเนี่ยมันวูบไปนะ ม, นมันจะจิตมันจะสงบเนี่ยเพราะสมาธิกับความง่วงตัวเดียวกันความขี้เกียจตัวเดียวกันใกล้เคียงกัน เป็นศัตรูต่อกันจิตมันรวมปั๊บเนะี่ยพอยกมือปั๊บเนี่ยใหม่ๆเนหะ็นไหมมันเข้ามาทันทีพลิกมือปุ๊บมันรู้สึกตัวปุ๊บมันไม่ใช่รู้รู้รู้สติสติเราไม่ตัดไงพอหลวงพ่อคํามเขียนบอกว่ามันเป็นมันเป็นเหล็กแท่งสติตัวเนี้ยเป็นเหล็กแท่งไม่ใช่เป็นเป็นโซ่มันไม่ตัดพอวูบ ป, ปั๊บเนี่ย สามสี่ทีปุ๊บมันแทรกปับล็อกเลยแล้วพอมันมาแล้วก็ตามมาเลยตัวนนตัวตัวแก่ความง่วงนนะก็มีอะไรถามไหมเจอกันเทคนิคที่สองที่เรบอกว่า้าดมหายใจลึกๆที่ว่ากันดมหายใจไว้นะที่มันตื่นไม่ใช่เพราะมันัวนะ อจนออกซิเจนมันมันเข้าไปฉีดแรงเลยม่วงเนี่ยเพราะว่าสมองเราขาดออกซิเจนเพราะว่ามันมันมันไปยิ่งเรากำหนดให้ลมออกทางหูทางตาทางจมูกทางอะไรทางมือทางเท้าอะไรก็ของครูบอาจารย์หลายรูปเราก็ประยุกได้ประยุกได้ประยุกได้ ตัวนี้เป็นเรื่องที่ที่เราจะต้องฝึกคือมันต้องฝึกกันให้จริงจังไม่งั้นทุกตายเลยนะชาตินี้เสียชาติเกิดเลย <c oughs> <c oughs> ออมันจะไม่มีจะไม่มองเห็นความสุขเลยนะข้อข้อที่ยี่สิบข้อที่ข้อ <c oughs> ที่สิบหของการอนิสงค์ของการภาวนา ตายแล้วเกิดใหม่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่มันขนาดนั้นน ะ, นะข้อสุดท้ายก็คือหมดเวลาสำหรับความทุกข์เป็นอัน่ง <c oughs> นั้นถ้าเราไม่ฝึกไม่ตายอยู่งั้นนะวัตตะเลยเครียดตายทุกข์ตายปัญหามันไม่ไม่มีปัญหามันยังมีอยู่ของมันอย่างนั้นนะ มันมีของมันอยู่อย่างนั้นแต่ว่าเจตเราน้ น, นี่ยวิชาของหลวงพ่อเทียนคือออกจากความคิดใน้ได้อาจารย์จะไปที่ไหนก็บอกว่าไอ้ภัยความแข่ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นธรรมดาภัยปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเป็นไอ้ตัวร้ายที่สุดคือความคิดพอเราออกจากความคิดได้เมื่อไหร่นั่นแหละชนะแหละอ้าว คิดเยอะๆก็ฟุ้งซ่านในตัวโยมเป็นโยมอะไรครูบาอาจารย์อย่างสายหลวงพ่อชาสายพระฝรั่งเนี่ยท่านก็แนะนำแต่ว่าเวลาฟุ้งฟุ้งเนี่ยอย่างเช่นเวลาเราจะนอนเนี่ยออกจากเรื่องหนึ่งไปเรื่องหนึ่งออกจากเรื่องหนึ่งไปเรื่องหนึ่งที่นอนไม่หลับ ปัญหาของคนที่นอนไม่หลับคือมันเรื่องนั้นก้าวเรื่องนี้เอาไม่อยู่เอาเอาคุมไม่อยู่สติขาดกระจุยกระเชิงนะท่านบอกว่าวิธีแก้ขัน้นหยาบท่านให้หาประกานะบางทีมันมีปัญหาฟุ้งรุมเร้าจิตมากหากระดาษสวยๆแล้วมาคัดพุทธพจน์ที่ที่เราชอบใจ เขียนให้สวยแนะนะ้าก็มาภาวนาต่อนะท่านแก่สำหรับลูกศิษย์ของท่านพวกฝรั่งพวกอะไรไปปฏิบัติฟุ้งเอ า, มาอไม่อยู่แก้อยู่ท่านก็จะให้กระดาษไปแผ่นหนึ่งประกาเขียนธรรมะคาสอนของพุทธเจ้าเขียนให้สวยที่สุดนะเขียนจบมันก็คงจะได้พลังของสมถะเทานี้มันก็จิตมันก็จะรวม แต่ในขณะที่เรายกมือสร้างชังหวะเนี่ยหรือว่าดูลมหายใจหรือทำอะไรก็แล้วแต่เกิดความฟุ้งขึ้นมันก็ต้องดูรอบๆดูเปลี่ยนจากความฟุ้งมาดูรอบๆเพระนั้นที่ที่นี่จึงสอนว่ารู้สึกตัวรู้รอบตัวรู้ไม่มีตัวรู้ทิ้งที่วัดจะสอนโยมอย่างนั้น นั้นบางทีเราไปเพ่งมากเกินไปในขณะที่เดินน ะ, นะกรู้สึกรอบตัวมีโต๊ะมีเก้าอี้มีอะไรเมี่เดินผ่านต้นไม้เห็นแมันมันจะมันจะชะล้างของมันแต่มันก็เป็นเป็นธรรมดาอีกตัวหนึ่งที่จะใช้ไปจำก็คือเวลาฟุ้งเรื่องมากจะกำหนดว่า าฟุ้งเนี่ยเป็นสีดำที่ดำมืดวงกลมอยู่หน้าเราโอ้นี่ฟุงฟ้งฟุง้งฟุ้งดูเพ่งไปใช้การเพ่งแล้วก็รวมรวมีพยายามจินตนาการแต่ไม่แต่เราต้องอันนี้คือวิทยให้จำหลักไว้ว่าวิธีต่างๆนั้นคือ ตัวย่อยแต่ตัวหลักคือต้องต้องรีบกลับมาที่ยกมือสร้างจังหวะที่เดินคดีแต่นี่เป็นตัวแก้แป๊บเดียวจะไปยึดยึดไม่ได้อืเป็นแค่ตัวแก้มองสีดําให้มันเล็กเนี่ยตัวหนึ่งแล้วตัวหนึ่งก็คือว่าคอยสังเกตดูเรื่องนี้ความเปลี่ยนของเรื่องฟุ้งมันไม่ใช่ฟุ้งเรื่องเดียวนะคอยดูมันเปลี่ยน คอยดูความเป็นอนิจจังดูย้อนหลังก็ได้เออเนี่ยมันเปลี่ยนจากเรื่องนั้นมาเป็นเรื่องนี้เนี่ยั้งต้องจับตัวนี้ให้ได้จับตัวนี้ให้ได้พอเราแต่ต้องสติดีพอสมควรมันจะระหว่างเปลี่ยนเรื่องเนี่ยเราเห็นเราก็จะไปเห็นความเป็นอนิจจังของมันตัวนี้ลองดูนะลองดู ก็ต้องใช้หลายวิธีเหมือนกันเรื่องเพราะว่าโอ้เป็นชีวิตคารวะญาติโยมเนี่ยไม่แข่งจริงก็คือว่าหลอกตัวเองอยู่ในโลกนี้ไปวันๆไม่เห็นความจริงเลยไม่มีสิทธิเห็นความจริงเลยทุกตายอาจารย์ชอบพูดว้าท่านน้ทุกตา ย, าาานะ ท, ตายทุกจริงๆ นันมันจึงมียาระงับประสาท <c oughs> มากินให้นอนหลับนั่นพอสติเราเจริญมันจึงไม่มีทางลัดจะต้องเจริญสติอย่างเดียวถึงจะไปได้ได้ปัญญาเป็นปปัญญานันที่เราเจริญสติการอย่างสายหลวงพ่อเทียนน่ยก็คือเจริญสติฐานดีแล้ว สำนักอื่นที่เขาไม่นิยมปฏิบัติอย่างนี้เก็เอาไปหมดพอเขาไปเติมเคล็ดลับอันหนึ่งจริงเน่ยเราได้ดีแล้วสายอื่นมาก็ไปใส่อีกวิธีหนึ่งเขาก็โอ้มันอย่างนี้เองอะไรเงี้ยจริงๆริงเขาลืมแบบว่าเขาทําำอย่างหลวงพ่อดิเรกเหมือนคนปลูกกล้วยเลยแต่สำนักอื่นมาก็ไปซื้อตามตลาด ซื้อของที่หลวงพ่อปลูกไว้เลยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยก็คือเขาไปเติมจริงจริงเรายังไปไม่ถึงนั้นที่นี่ทีนี้จะไม่มั่นคงจ ะ, จ ะ, จ, ะ, ะจะไม่จะสภาวะธรรมจะไม่แน่นอฐานตัวเนี้ยอืมต้องแน่นแน่นให้ดีแน่นการเชิญสติก็ไม่มีอะไรก็หลวงพ่อบอกว่าดูหนักดูเบาดูเกิดดูดับในเกิดในดับมันก็มีมันก็ไปเห็นตัวเนี้ยมันก็ขยายไป ขยายไปทุกอย่างทุกเรื่องจนสติเราดีเห็นเรื่องอะไรเกิดขึ้นมามันก็เป็นเหมือนดูดูหนังดูหนังไปเป็นงั้นแล้วเห็นขบวนการเกิดของมันดับของมันเป็นอย่างนั้นก็เจอกันยี่สิบพฤษภากานยี่สิบตั้งใจไปชวนคนดู แต่ถ้าเรายังไม่ได้ก็ชวนใครยังไม่ได้เหมือนกันต้องให้เรามันได้ชัดเจนโยมจะรู้ได้ไงว่าแน่นอนเมื่อไหร่ฮะว่ า, าตึกเปิดได้แน่นอนก็นี่ก็ตัวตึกก็ผ่านหมดแล้วจบหมดแล้วก็รอแค่ปากทางเข้าจริงมันต้องทำอาทิตย์นี้สองอาทิตย์ก็เสร็จนี่ก็จ่ายเงินเข้าไปแล้ว เงินช่างก็คงแก้ปากทางข้าวเสร็จก็จบนี่การสร้างเนี่ยเล่าถึงความโชคดีก็คือว่าทมหลักการสร้างเนี่ยต้องทําถนนก่อนทาซ่วมทาซ่วมก่อนแต่เราก็บอกคุยกับซิตีหัวหน้าสิตีว่าเราไม่มีเงินนะเราจะสร้างตัวนี้ก่อนได้ไหมเอ้ไม่ได้ โอ้ทำไม่ได้เนี่ยฉันก็สร้างไม่ได้เหมือนกันนะทำไมฉันต้องทำให้คนเห็นไม่งั้นเขาก็ไม่ทำบุญอ่ะเขาก็ไม่บริจาคเออเอาบุญําไปงั้นเขาก็เลยทำตัวอาคารก่อนเสร็จแล้วก็ถึงทำซ่วมทำท่อน้ำถ้าสุดท้ายก็ปากทางเป็นกัน <c oughs> นันแต่ว่าถึงว่าเราตัวหน้าไม่เสร็จ แต่ตอนนี้ตัวอาคารเราเสร็จใช้ได้แล้วแต่ว่ามันมีเรียกว่าขออนุญาตใช้เทมปอรี่ขออนุญาตใช้อาคารได้ก็ไม่น่าจะไม่มีปัญหาใดก <c oughs> ็สำเร็จนะผ่านไม่ยากเพราะว่ า, วาปากทางก็เซ็นสัญญาอะไรกันหมดเรียบร้อยแล้ววางมัดจำไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> นั่นหมาว่าเออ จ่ายเงินเขาไปให้ผู้รับเหมาผู้ที่ดูแลการก่อสร้างใช่เหมนผ่านไปแนละ้วที่สองอาทิตย์ยแล้วจริงเขาตามนั้นก็ว่าทำสออาทิตย์เสร็จส อ, อาทิตย์เสร็จกาจะเป็นอาทิตย์หน้าก็าจะมาเริ่มก็ได้นั่นเนะ่ย <c oughs> เรื่องการเรื่องการก่อสร้างก็จะเป็นเรื่องฝึกฝนเราฝึกฝนเราในการ ก็สอบตกในในในวิชาชีวิตเราจะต้องตั้งไว้สอบผ่านหรือไม่ผ่านสองคำนี้ให้จําไว้นะวันนี้ไปทํางานทั้งวันกลับมาผ่านไม่ผ่านถ้างุดงิดถ้าโมโหถ้าโกรธถือว่าไม่ผ่านสอบตกเป็นอย่างนั้นแล้วก็แก้ไปแก้โจทย์ไปอย่างอาการนี้ก็ก็สอบตกหลายข้ออยมกันนะครับ แต่เราต้องตั้งว่าั้งตั้งโจทย์ว่าวันนี้เราต้องสอบให้ผ่านการไปทำงานของเราในวันนี้ต้องสอบให้ผ่านเนี่ยมันมันจะได้มีมีโจทย์ตั้งโจทย์ไว้ต้องให้มันเป็นไม่มีสีไอ้ขาวก็ไม่ใช่ดำก็ไม่ใช่เทาก็ไม่ใช่ต้องมาอยู่ตัวตัวเนี่ยตัวสอบผ่านคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือตัวไม่มีสีเนี่ย หลวงพ่อยกไว้เป็นเงินคนน่าน่าจะเยอะนะนคิดว่าเพราะว่าพอพร้อมแล้วคิดว่ารพร้อม เ, อเป็นชุดแรกนะชุดแรกเบิกเงินงได้ใช้เป็นชุดแรกมามาใช้อาคาร แกจากนี้ไปก็ทดสอบระบบทุกอย่างไปก็ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากละยากมีแค่ทางทางเ้าก็ไม่ไม่มีอะไรมากก็แค่ฝังท่อถมดินเทลาดอย่างก็จบเ็าว่าสองอาทิตย์เสร็จเขาก็จะเริ่ม ้นน ส, สิ้นเดือนกุมภาเนี่ก็รู้หมดแหละรู้สิ้นเดือนมกรานะก็โชคดีคุณไหมที่เธอมานั่งสมาธินะโชคถือว่าคือเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของความโชคโชคดีเป็นเรื่องของจริงจริงศาสนาเราก็ พูดได้สองคำมันกันนะบุญบาปอืโชคดีแล้วก็ผู้รับเหมาคนแรกเนี่ยเก้าเดือนมันหนีไปเก้าเดือนแต่ก็โชคดีอีกถ้าผู้รับเหมาอยู่ทั้งเก้าเดือนเนี่ยเราต้องจ่ายค่าลายเส้นเขาแพงเหมือนกันนะคืาคิดตามเปอร์เซ็นต์หนึ่งแสนก็หนึ่งหมื่นค่าค่าดูแลเขาทีนี้ไอ้เก้าเดือนเนี่ย อาจารย์ดูแลเองก็เลยไม่ต้องเสียเขาหนีไปทีนี้พอเขาหนีไปแต่เขาไม่ถอนถอนลายเส้นพอครบเก้าเดือนก็ถอนลายเส้นซิตี้ก็สั่งหยุดห้ามทําต่ออดีตโยมไม่เนี่ยเธอมาถวายอาหารเช้าแต่เราก็คบคันมานานแต่ก็ไม่ไม่รู้ว่าเขาทํางานเกี่ยวกับพวกนี้เขาก็อยากเข้าไปดู เราไปดูเขาก็ถามมาทำไมถึงไม่ได้ทมต่อยกเลิกหลายเส้นเนี่ยทีนี้คุณที่คนที่คอยดูแลก็หมดทางไปที่ช่วยเราคุณแฟรงก์ก็หมดทาง <c oughs> คุณแฟรงก์ก็คือคนสร้างอักซราเนี่ยเธอก็หมดไ ม, ไม่รู้จะทำยังไงคุณไม้หมาเขาก็เป็นหนึ่งในห้าของจอเจียเทคเก่งเกี่ยวกับการก่อสร้าง เขาไม่มีเขาบอกไม่มีปัญหาอาจารย์ถามอาจารย์มีเงินไหมที่จะสร้างต่อมีมีไว้ก่อนดีที่สุดมีมีเอางั้นเดี๋ยวผมจัดการเลยก็าาพาเพื่อนเข้ามาลูกชายมาทำงานให้เสร็จที่การจบเรียบร้อยเฮยมันจะต้องมี คือในโลกนี้ไม่มีเรื่องร้ายให้จำไม่เลยมีแต่ร้ายกลายเป็นดีทั้งหมดนะในโลกนี้ไม่มีเรื่องอะไรที่แก้ไขไม่ได้ไม่มีเรื่องอะไรที่น่ากลัวจริงที่น่ากลัวที่สุดก็คือจิตที่เป็นอกุศลตัวนี้เป็นน่ากลัวมากต้องระวังนะ ม, มันจะขอบพบขอชาติแนละ้วให้พ้นเราดงั้นพอเราเจริญสติไปแล้วมันจะไม่มีอกุศลมีแต่เรื่องน่าสงสารมีแต่เรื่องน่าเมตตาอย่างหลวงพ่อคำเขียนท่านจะฟังแต่ก่อนไม่เข้าใจเหมือนกันนะพอเห็นขโมยอะไรไม่เขามาทําอะไรโอ้ไม่โกรธหรอสงสารเขาเนี่ยมันเลยจากกุศลอกุศลมาแล้ว กลายมาเป็นสงสารไปเป็นเมตตาไปช่วยเหลือไปอเขาสนุกดีบทบทเรียนนะบทเรียน <c oughs> ในการทำงานพระศาสนาเพราะพระธรรมทูตเนี่ยมีสูตรตายตัวหนึ่งทั้งศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้จริงเข้าใจจริงแจ่มแจม้งนะสอง ต้องกตันอยู่พุทธศาสนาให้มากที่สุดสมตายกับการทํางานได้นี่ไปรำรรมาตุ น, นสุดเป็ยงนั้นก็ไม่อะไรกับอะไรนะักินจิโรเก อ, อ, อุปธิยติหลวงพ่อคําเขียนสอนไว้เป็นมงกุฎเพชรเป็นยอดมงกุฎเพชรยอดธรรไม่อะไรกับอะไร พอไปอะไรกับอะไรก็ทุกตายทันทีอันเจงเขียนั่นคือบทสรุปที่เราสวดทุกวนนะในบทท้ายสติปัฏฐานนะนะกินจิโลกเกอุปัฏติเธอเป็นผู้ที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรในโลกนะก็จบแค่นั้นออถามอะไรบ้างมีเวลาอยู่เน้นหน่อยเลือกสามทุ่ม เมื่อวานท่านบอกว่าท่านจะเล่าเรื่องวิปัสนูั <c oughs> จได้วิปัสก็เป็นเชื่อราในกรล้มปัง <c oughs> วิปัสนูนี่ <c oughs> ก็คือวิปัสนาแต่ว่าเป็นตัวล็อกวิปัสนาที่คนได้ได้กันเนี่ยมันได้วิปัสนูทั้งนั้น อย่างข้อแรกโอ้พาดแสงสว่างสว่างสวัยโอ้มันเหมือนเข้าใจเออมันเหมือนนั่งไปมองสว่างสวัยมากสมองปลอดโปร่งรู้สึกสว่างสวัยมากเลยนี่ตัวนีน้ไม่เคยเป็นมันมั น, ม, นมีความสว่างสวัยมากนะหลักตาลืมตาอะไรมันเห็นตัวนี้ตัวหนึ่ง เห็นไหมมันดีแค่ไห น, นเนี่ยอเนี่ยแต่คอยดูจะว่ามันล็อกยังไงมันล็อกไม่ให้เราจากทำวิปัสนาต้องมาเจอวิปัสณูเลยวิปัสณูถึงมาถึงวิปัสนาดูไม่ใช่ของไม่ใช่ของง่ายมากันเดี๋ยวค่อยหลวงพ่อค่อยลงรายละเอียดให้เราสองหนึ่งมี ความสว่างสวัยนะสว่างสวัยไร้ขอบเขตคือมันสว่างสวัยไร้ขอบเขตสองมียานวิเศษอย่างรู้มันรู้มันเหมือนรู้ความคิดคนเหมือนเข้าใจอะไรมียานเหมือนว่ามันธรรมะทำไมมันแตกฉานอย่างนี้มันโอ้มันลึกซึ้งเนะี่ยว่าตัวนี้มันที่เทศได้ทั้งวันพูดได้ทั้งวัน มันไม่ดีได้ยงไงแต่ท่านบอกว่าเป็นวิปัสสนุพ่อเทียนเลยเคยเล่าว่าพระที่ลูกศิษย์ท่านเทศสอนพูดได้ทั้งวันเนี่ยมันญาญอย่างรู้เรื่องราวอะไรลึกซึ้งติดขัดขาดข้ดของอะไรมันตอบมีปัญญาแจ่มแจ้งไปไปหมดเลยอืมอ่าโอพาทยานะปีติ ควาเอิบอิ่มใจโอ้มีความสุขเหลือเกินนั่งไปขนลุกขนพองน้ำตาไหลโหชีวิตเรามีความสุขเหลือเกินเนี่ยปัสจิิคลี่คลายเบากายสบายกายสบายใจโอ้สุดยอดเลยปัสสทิสุข ตัวนี้ก็สุกกายสุขใจอย่างไม่เคยมีความสุขมาก่อนโอ้มันสุขเดินจงกรมก็มีความสุขเกิดปีติปัสสติสุขนี่มันเกิดควบกันเลยนะมันมีความสุขเห็นไหมคนมาปฏิบัติ ร, ร้องโงมร้องไห้ดีใจเนี่ยเป็ น, นมีความสุขศรัทธาที่โมกตัวนี้ศรัทธาที่โม ก, ก คือเชื่อหมดใจเลยมีทางเดียวเท่านั้นมันมันก็ดีนะเชื่อเชื่อในการปฏิบัติที่ตนเองได้ปฏิบัติมาศรัทธ า, าที่โมกตัวต่อมาก็ปฏฐานะตั้งใจโอ้โหเดินจงกรมทั้งวันไม่อยากนอนเลยยกมือสร้างจังหวะทั้งวัน ดูมันเป็นลักษณะที่ดีทั้งหมดนะนะอุปัฏฐานะการจิตตั้งมั่นสติกล้าแข็งชัดเจนโอ้ทุกอย่างรู้ตามรู้หมดอนี้น่กันติอะไรนี่ปหาเนี่ตัวสุดท้ายนี่กันตินนน ตัวนี้ตัวอันตรายที่สุดหมดใจพอใจจบแล้วเนี่อาจารย์หลวงพ่ อ, อผมจบกับหลวงพ่อแล้วเนียเราจะได้กินลูกศิษย์ครูอาจารย์ทั้งหลายจบแล้วหมดใจแล้ววิธีนี้ดีที่สุดไม่มีวิธีอะไรนอกอื่นจากนี้แล้วเห็นไหมแรงไหม มีเรื่องดีเท่านั้นเลยอาจารย์ศึกษามาครูบาอาจารย์เอา้ามันก็เรื่องดีเนี่ยแล้ว <c oughs> แล้วทำไมมันมันจึงเป็นตัวร้ายนะเป็นตัวร้ายนี่มันเป็นสภาวะที่ที่ดีเเป็นเชื้อราในในอาหารที่เรามองไม่เห็นมองไม่เห็น ดันั้นท่านจึงบอกว่าถ้าเป็นห้าตัวจบเลยแค่อย่างยกเว้นเคยท่านในคำมพียนท่านบอกว่าต้องเคยเป็นผู้ที่เคยเพียรภาวนาเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นิทธิ์กันถึงจะมาช่วยได้มันก็หลงไปเลยทีนี้ฉะนั้ น, <c oughs> น, นเราจะแก้พวกนี้ได้อย่างไรพอเกิด ก็ต้องกลับมาที่เดิมเนี่ยสร้างช่างวะเหมือนเดิมสร้างช่างวะเหมือนเดิมกลับมาอย่าไปยึดมันอย่าไปเห็นว่ามันเป็นเป็นนิจจังเป็นสุขสขังเป็นอัตตาอ่ามันก็แค่นั้น่ะไอสว่างสว้ก็แค่นั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่ควรยึดปีติก็แ ค, แค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นแค่นตัดมันไปเลยกลับมาที่ฐานเดิมฉะนั้นไอฐานเดิมเนี่ยทิ้งไม่ได้ ฐานเดิมถ้าเราดูลมหายใจก็ต้องกลับมาที่ลมหายใจถ้าภาวนาอย่างไรก็ต้องกลับมาเริ่มเหมือนเริ่มต้นใหม่แล้วพอเริ่มต้นใหม่มันก็จะข้ามวิปัสสนูไปสู่วิปัสนาสู่วิมุตติไปยังไงเดี๋ยวค่อยให้หลวงพ่อได้อธิบายเพิ่มเติมฉะนั้นเราจึงเห็นว่าก็ไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันภาวนา ก็มันดีทั้งหมดอ่ะ ม, มีอะไรมันยิ่งปีติปัสติสุขเนี่ยโอ้ใครก็อยากได้แต่ทำไมมันตัวมันตัวล็อกเราไว้นั้นจะทำลายวิปัสสนาที่เราได้ให้เสื่อมไปในที่สุดเมื่อมันเจริญเติบโตมากมันยึดมากไปเป็นอย่างนั้นเข้าใจเนาะเข้าใจฉะนั้นฉะนั้นการปฏิบัติไม่มีครูไม่ได้ ให้จำไว้เลยมาตรฐานเลยปฏิบัติเองก็ได้อานหนังสือเองด้แล้วใครจะมาแก้ให้เราแล้วเราใครจะไปฟังเราได้อันโบราณก็ต้องมีดอกไม้ทูกเทียนมายกมอบกายถวายชีวิตให้สอนพร้อมไปเจอวิปัสสนูปก๊กอาจารย์ก็ไม่ได้พระอาจารย์เนี่ยเข้ากรรมฐ า, านนเะข้าไป โอ้อาจารย์สอนผิดหมดเลยเนี่ยดูสิมันไม่ใช่ธรรมดานะไปอาจารย์สอบอารมณ์ก็ต้องไปสอนให้อาจารย์ฟังว่าที่สอนเนี้ยมันสอนผิดแต่ว่าอาจารย์เก่งแก้เราได้ไม่งั้นเราก็วิดประหลาดไปไม่ใช่ธรรมดาม น, นั้นหลวงพ่อเทียนเวลามีใายติดวิปัสสนุกี่โมงกี่ยามนั่นก็ต้องนั่งรถ บัดไปแก้ให้ไม่ต่กนแค่ได้ข่าวท่านก็ไปไม่มีสื่อสารการติดต่ออะไรมันล็อกมันล็อกตัวล็อกเลยเสื่อมเป็นอานฉนั้นจากวิปัสสนามาเจอวิปัสสนต้องมีครูช่วยตัวนั้น ะ, น ะ, นะนะแล้วถึงจะเลยมา เข้าสู่วิปัสนาปฏิบัติวิปัสนาเต่มต้องมาเจอวิปัสนานกันทุกคนแต่ต้องมีกาลยานมิตรแค่น่เนฉะนั้นในสำนักต่างๆที่โยมทำบุญอะไรหมดตัวนะพอมาได้ปีติสุขก็ล็อกเอาคุณหมดตัวเลยให้หมดนะศรัทธาหมดขายบ้านขายช่องขายอะไรทุกอย่าง เพราะมันได้ง่ายยิ่งสมถมะด้วยยิ่งง่ายเร็วมากเลยสมถมะเนี่ยปับๆเลยถ้าไม่มีครูผู้มีจิตอันบริสุทธ์ต่อเราจบจบเลยตายสถานเดียวอ้าวสามทุ่มเลยวันนี้นึกธรรมะมันคุยได้ทั้งวันทั้งคืนไม่เบื่อธรรมะยนั้นเราจึงฟังธรรมะ หลวงพ่อครูบาจารย์ฟังใบมันเพลินมันเป็นพี่นันทนาการอย่างหลวงพ่อว่ามันเพลินใจเพราะว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมธรรมมา ร, รมตัวนี้คืออะไรสุนทรีมันกิ่นราลึกสุนทรีทางใจเพลินใจมโนวิญญาหาร ที่ดูเล่นเกมได้ไม่กินอาหารเพราะมันไปกินมโนวิญญาหารแทนกาลวริญญาหารอาหารคือก้อนข้าว ไ, ไม่กินผัดสาหานเมื่อกินผัดสาหานมโนเจตนาหารทางอารมณ์เป็นเงินก็หลักเริ่มใหม่ก็คืออยากไป วางทุกอย่างให้หมดเอาแค่สติให้รู้ชัดหนักเบาเริญไปตัดไปเพราะมันที่ไม่ต้องไปกังวลอะไรไงไม่ต้องไปพอเรามาแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติไปอืมย่างอื่น ถ, ถึงเวลาก็ทานข้าวมาก็ปฏิบัติไปฟังหลวงพ่อยังอยู่ท่านจะได้ปฏิบัติไปอย่าไปพึ่งคิดว่ามันจะต้องเกิดนั่นเกิดนี้ เข้าใจนั้นเข้าใจนี่เรื๋อวมันก็ต้องเข้าใจศึกษาธรรมะแล้วมันต้องจบต้องจบแล้วหมดเวลาสำหรับความทุกข์แล้วจบเข้าใจอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสมมติพระอาจารย์มาอยู่พวกนี้ก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นใหญ่ๆมันก็มีการเกิดดับแค่นั้นเองอเป็นเงิน ไม่มีวัดนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันต้องถึงนั้นที่นี่เคยถูกธนาคารยึดไปให้ใหออกภายในสามสิบวันพอพ ร, รารย์ทิ้งวัดไปดูพ่อสิบเดือนไม่ได้จ่ายค่าบ้านกลับมาถึงตื่นเช้าตำรวจมาเคาะแปดโมงเซ็นหนังสือเราก็อ่านไม่รู้เราก็เซ็นไปเลยต้องออกภายในสามสิบวัน <c oughs> เขาก็ะิตแล้วก็ตัวสติมันดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะมากลับมามันจะไม่ออกนอกนจะกลับมาดูการทํางานของมันการปรุงของมันสังขารการปรุงของมันเสียใจชอบชังอะไรเนี่นก็มีรายละเอียดของมันไปอืมเป็นอย่างนั้นทุกอย่างก็ต้องฝึก ยิ่งใครเจอกระทบปัญหาเยอะๆนั้นน่โชคดีแล้วจะได้สอบให้ผ่านอืมเพราะนั้นครูบาอาจารย์สมัยก่อนจึงเราไม่ค่อยมช่วงเราปฏิบัติไม่ค่อยเจอครูบาอาจารย์ที่โหดนะก็คืออางทีก็สงสารไม่ได้ไปไม่ได้ไปทดสอบเราแรง อย่างภาพฝรั่งอยู่กับหลวงพ่อชานะมีองค์หนึ่งแสดงท่านให้แสดงปาติโมกแสดงเสร็จดีใจเจ็ดวันวันพระหน้าท่านแสดงอีกนะองค์นี้กับวันพระหน้าก็แสดงด้วยความ mm. ภูมิใจหลวงพ่อชาก็นั่งข้างธรรมาแสดงไปสุนาทุเมปันเตสั ง, งโกอนจะหลพ่อชาก็จับจีวรดึงโอ้ไม่เคยอาบน้ําแล้วไงองค์เนี้ เหมน็นจังอ่ะแสดงไม่สักพักอ่ะดึงกีบอ่อ ม, มันสกรปรกอะไรนะปะก็บนเครียดเลยนะเครียดบ่นระมารุกจากแสดงสี่สิบห้านาทีเป็นชั่วโมงยี่สิบอ่ะทุกเลยก็ได้มาได้สติขึ้นมาอสอบมันจะคอยจี้คอยสอบนี่เราไม่มีตัวทดสอบ แต่ว่าจริงๆเราก็มีครูอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานเยอะแล้วแต่เราไม่ได้ตั้งเขาเป็นครูตัวที่เราขาดอีกตัวหนึ่งคือการตัวน้อมมาพิจารณาเห็นอะไรไม่ค่อยน้อมมาพิจารณาฐานมันก็อนิจจังทุกขังอนาตาัตตฐานฐานธรรมไม่ว่าทางโลกจะดีแค่ไหนทางธรรมมันต้องอยู่ฐานนี้ทั้งหมด อันนี้จังทุกครั้งนะต้องยกสู่ไตรลักษณ์เรียกว่าเข้ายกสู่ปัญญาเป็นอย่างนั้นเอานะดึกเดี๋ยวตื่นมาออกภาวนาไม่ได้เรื่องนี้ใครลากันอีกครั้งเติมไหมพระอาจารย์ไมเติมนะเ <laughs> ติมไม่จะเค็มไป <laughs> <laughs> เอากับาปาฟองไป